บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันมาค้าบูชาด้นหัวข้อธรรมะที่ควรจะนำมาประลกันก็คือหลักโอวาทปาธิโมก ที่พระบูมีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระหัน่านสอรหรูปที่มาไปชุมกันณประเบดุวันในวันเพ็ญเดือนสมหลังจากที่พขุจ้าศัสรูได้เก้าเดือนพระธรรมเทศนาข้อนี้ข้อความจริงๆก็มีเพียงสามคาถากึง่งแต่ว่าได้องความที่เป็นหลักไว้ในพระพุทธศาสนา โดยเน้นไปที่ส่วนของมร ก, กับส่วนของนิโรธคือไม่ได้ทรงแสดงเรื่องทุกขสมัมทยัยเพราะว่าเมื่อปฏิบัติไปตามมรกนิโรธเกิดขึ้นส่วนทุกขสมัมทัยก็ต้องดับไปตำานองใกล้ๆกับแสดงปฏิจจสมุปบาทสายดับนักปราชทางาศาสนาได้แบ่ง ว่าทปฏิโมกออกไปเป็นสามช่วงในช่วงแรกเรียกว่าธรรมะระดับอุดมการคือเป็นธรรมะระดับธรรมปฏิบัติระดับอุดมการประการหนึ่งเป็นผล <houses> mm ของการปฏิ <Morris unc re view> บัติระดับอุดมการประการหนึ่งและเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติตามธรรมะ เข้าถึงระดับอุดมการณ์ประกันหนึ่งในคนนี้ทรงแสดงว่าขันติคือความอดกลั้นความอดทนเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งจะเป็นธรรมะปฏิบัติระดับอุดมการณ์จึงก็หมายความว่าคนเราจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามจะต้องมีขันติความอดกลั้นความอดทนต่อสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน ไม่ว่สิ่งนั้นจะมาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายในใจของตอนเองก็ตามขันติจึงเป็นธรรมะที่ไม่สามารถจะขาดได้เราจะต้องใช้อยู่ในระดับใด ร, ระดับหนึ่งทุกทุกวันคันติตามปกติแล้วเวลาส่งแสดงไว้ในพระบาลีนั้นก็จะส่งเน้นไว้ในที่ต่างๆเป็นเพียงละข้อ คือแห่งละหนึ่งในยะแต่มีข้อที่ควรแก่การสังเกตประการหนึ่งคือตอนที่ทรงแสดงเรื่องคารวัสธรรมทรงใช้คำว่าสัจจังทัมโมชิติจากโกทิติในที่นี้อาจจะแปลว่าปัญญาก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าในภาคของการปฏิบัติการใช้คันตินั้น จะต้องมีปัญญาเข้าเป็นเครื่องมือในการกำกับคือต้องรู้ว่าเรื่องอะไรควรอดทนเรื่องอะไรไม่ควรอดทนหมายความว่าไม่ใช่อดทนไปใชทุกเรื่องเช่นว่าเป็นคนที่ยากจนอยู่ก็ทนจนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่รู้ก็ไม่ยอมศึกษาค้นคว้าไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไปทนไม่ได้ จะต้องมีปัญญาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเสียก่อนอดทนแล้วเกิดผลดีจากการอดทนก็อดทนอดทนแล้วจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่ตนก็ไม่ควรอดทนคือไม่ควรอดทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึง่งจะต้องพยายามดิ้นรนควงข่ายแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลสิ่งที่ตรงเน้นไว้เมื่อสรุปรวมจากที่ต่างๆแล้วก็จะพบว่า คติคือความอดกลั้นความอดทนนั้นจะเป็นการอดทนต่อความวิปริตแปรปรวนต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติธรรมดาอย่ฝนตกหนักลมพัดแรงหรือแผ่นดินไหวหรือเกิดแหงแล้งหรือเกิดหนาวจัดขึ้นมาอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่เราจะต้องอดทนเอาหรือต้องพยายามอยู่ในสภาพของความวิปริตเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ได้ ประการต่อไปก็อดทนต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเสียแทงเขาโรคภัยไข้เจ็บจากการเสียดแทงนธรรมชาติต่างๆแล้วก็อดทนต่อความเหยยากลําบากตักตราในการปฏิบัติภารกิจการงานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงานที่ทําทางกายก็ตามทางใจก็ตามโดยเฉพาะงานทางจิตที่กําลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้น จะต้องอาศัยความบุกการอดทนความทนทานเป็นพิเศษและที่สำคัญ ย, ยิ่งคือลักษณะทางอารมณ์ที่ตามปกติแล้วจะเน้นไปที่อารมณ์รักกับอารมณ์ชังบางแห่งก็สงใชยคำวมาอภิชาและโธมนักบางแห่งก็สงชายคำวมายินดียินร้ายซึ่งก็หมายความว่าอารมณ์อะไรก็ตามที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัส มีลักษณะยั่วยุลให้เกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจจนจิตใจไปกำหนดหมายอารมณ์เหล่านั้นว่ารูปสวยเสียงไปเราะที่นอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องหรือว่าเนียวนึกตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายที่เก็บสะสมไว้ภายในใจเรื่องหน้าของกาบมีตกหรือกามสัญญาคือเนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่ทังสิ่งเหล่านั้น อาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้คอยคว้าอนาคตก็ได้หรือเพลิดเพลิน อ, อยู่ในปัจจุบันก็ได้ก็ทรงสอในให้การนกบฏทนต่ออารมณ์เหล่านั้งพอโลกนั้นจะมีการยั่วยุลอยู่ด้วยประการต่างๆแต่จิตใจของคนอ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่มายั่วยุนในที่สุดก็จะพ่ายแพ้ต่ออํานาจของสิ่งเหล่านั้นจนถึงก็ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นได้ อาจจะทำชั่วทำผิดเพื่อได้มาเพื่อครอบครองเพื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่ว่าความรู้สึกประเภทนี้จะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเป็นไรก็นี้คพณสังเกตว่าเมื่อเราอดกลั้นอดทนไปได้เนี่ยย่างศีลหาประการที่สมท า, านไปมันก็จะเป็นไปได้โดยอัตโนมัติสมมติว่าเราไม่สมท า, านศีลมาก่อน แต่เราอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนต่างๆได้หรือว่ายั่วยุต่างๆได้การค่ า, าสัตว์ส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากอารมณ์ยั่วยวนคืออยากได้การรักทรัพย์ก็เกิดมาจากความอยากได้การอภพฤริดในทางเพศก็เกิดมาจากความอยากการโกหกส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากความอยากการเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายก็เกิดมาจากความอยาก ผลตอดทนต่อความอยากไปได้ศีลมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแม้จะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ตามกายวาจานในขณะนั้นก็เป็นศีลไปอารมณ์ที่ยั่วยุอีกประการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดโทสะหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาจึงจะต้องมองชัดเจนเห็นโทษของการไม่อดทนเห็นคุณของความอดทน แล้วก็พยายามอดทนต่ออารมณ์ตอนนั้นซึบงบางครั้งบางคราวมีความรุนแรงอย่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองโกสัมพีนางมาคันธยาจ้างคนให้มาด่าด้วยอกโกสวัตถุถึงสิบประการเป็นคำยากหยาบเท้งนั้นนณะพระน์ซึ่งเป็นประสวดบันนี่ทนฝักไม่ได้ต้องการจะให้หนีไปที่เมืองอื่น แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่าเหตุการณ์มันเกิดที่ใดแล้วก็ต้องอยู่ให้ได้ในที่นั้นเป็นภารากิจของเราที่จะต้องอดกลั้นอดทนต่อคําหยาบคายไร้กาศต่างๆของบุคคลอื่เนเงินช่างศึกที่ลงสู่สงครามจะต้องหมดกลั้นอดทนต่อสรรพาอาวุธต่างๆที่พุ่งเข้ามาจากทิศทั้งหลายนั้นก็แสดงว่าคันติจึงเป็นอุดมการไม่ได้เจาะจงว่า คนนั้นจะเป็นสามัญชนหรือเป็นพระยาบุคคลเกี่ยวแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระหันท่านมีอยู่โดยอัตโนมัติคือมีอยู่โดยธรรมชาติตํานองใกล้ๆกับภูเขาศิลาแท่งทึบเนี่ยมันอดก้านอดทน ต, อนต่อลงฝนทั้งหลายได้โดยธรรมชาติจะมีความอดทนได้โดยอัตโนมัติของเขามาแรงอย่างไรเขาก็ยืนหยัดทนทานอยูอย่างนั้นได้ แต่คนรูปไปเป็นเรื่องจะต้องฝึกปรือจะต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาเพื่อมีความเข้มแข็งบังเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นภายในจิตใจเหล่านี้เป็นธรรมะปฏิบัติระดับอุหลมการเป็นวิถีชีวิตของคนซึ่งก็หมายความว่าทุกคนจะต้องมีความอดทนความอดทลนในสีลักษณะดังกล่าวแล้วเราก็ต้องเผชิญกับทั้งสี่เรื่องนี้อยู่ตลอดว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตาม เพียงแต่ว่าต้องอดทนมากร อ, อดทนน้อยเท่านั้นเองบางครั้งที่เราอดทนน้อยๆเนี่ยไปเจอกับเรื่องบางเรื่องจะอดทนอะไรไม่ได้คล้ายๆกับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกโอ้อวดใจพะนาวพนอตามใจตลอดไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอะไรที่คัดค้านทุงติ่งพอถึงจุดหนึ่งไปเจอที่ตรงกันข้ามข้ามมันทนไม่ได้ คือคา้ากๆกับคนที่ขาดภูมิต้านทานโรคอยู่ในสถานที่ที่ดีจนเกินไปแปลวเจอสถานที่ที่มีมลพิษข้าวมันก็ทนทานอะไรไม่ได้คนตามปกติแล้วคนเราก็เรียกว่าต้องก้านแดดก้านลมบสมควรต้องสามารถเผชิญปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะออกมาในลักษณะอย่างไรก็ตาม ประการต่อไปนิบานังประมังวดันตีบุต ธ, ธาท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมถึงกระใจว่านิพพานนั้นเป็นคำสมมติคำหนึ่งในประมาณสักร้อยกว่าคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกสภาพจิตที่ดับกิเลสได้แล้วก็ดับทุกข์ได้เราจะเห็นชื่อเรียกนิพพานปรากฏในที่ต่างๆเป็นอันมาก ตำนองใกล้ๆจะต่างกันแต่ที่จริงแล้วเ้าเรียกว่าเหมือนกันโดยเนื้อหาแต่ว่าต่างกันโดยภาษาต่างกันโดยพยัญชนะที่ใช้เรียกสาหรับสื่อสารแก่ผู้ฟังในขณะนั้นๆแต่บางครั้งเป็นเรื่องใหม่หมายความว่าผู้ฟังไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรมาก่อนกุฎเจ้าจะทรงใช้คาซ้ำๆกันหลายคา เห็นยกตัวอย่างที่ทรงแสดงในธรรมจักรกัปตันสุรแก่ประปัญญบคีเป็นประธรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกท่านปัญญบคีก็ไม่เคยได้ยินธรรมะเหล่านั้นทรงใช้กรอบของคำานิพานไว้ถึงหําคำด้วยกันคือหนึ่งการดับตัณหาสองการสละตัณหาสมการคายคืนหรือถ่ายถอนตัณหาออกไป สการหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากตัณหาเหาทันห้าจิตไม่อะไรในตัณหาที่หลุดพ้นไปแล้วหรือไม่อะไรในอารมณ์ทั้งหลายแต่ละคำที่จริงก็หมายถึงนิพพานด้วยกันเพราะนิพพานจึงมีปริยายที่แสดงไว้ที่จริงแล้วก็เป็นสามระดับใหญ่ๆก็เป็นห้าระดับย่อย และการแรกเป็นนิพพานในขณะจิตคือในแต่ละขณะเวลากระทบอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเรียกว่าตะทังกันนิพพานหรือตะทังกบิมุตหรือตทังกันนิโรธก็เรียกหลายชื่อเมื่นกันหมายความว่าดับกิเลสได้โดยองค์นั้นๆเช่นมีอารมณ์มายั่วให้ รักก็ไม่รักย้วยกําหนัดก็ไม่กําหนัดด้วยโลภก็ไม่โลภย้ว้โกรธก็ไม่โกรธย้วยเมามัวเมาก็ไม่มัวเมาดับปอารมเหล่านั้นลงไปได้การดับเหล่านั้นอาจจะเกิดมาจากสติก็ได้อาจจะเกิดจากปัญญาก็ได้อาจจะเกิดจากเมตตาก็ได้อาจจะเกิดจากอดทนก็ได้ก็แล้วแต่คือหมายความว่าถ้าใจเรามีธรรมะอยู่ในขณะนั้น อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยก็สามารถจะดับไปได้เป็นนั้นมา ก, ากตัวอย่างเช่นเรามีเมตตาเป็นเรือนใจเ ป, นเป็นฐานใจอยู่มีอารมณ์มายั่วยวนเพื่อให้เกิดความอยากเราจะไม่อยากเพราะเราเมตตาในเจ้าของของสิ่งเหล่านั้นหรือมีอารมณ์ยั่วยวนให้เราโกรธ เราไม่โกรธเพราะเราเมตตาในคนนั้นหึือมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องโกหกแต่เราไม่โกหกเพราะว่าเมตตาต่อคนนั้นแล้วก็เมตตาต่อ ต, ตนเองด้วยคือไม่ต้องการทำบาปผลประการสาคัญว่าถ้าใจเรามีธรรมะแล้วก็เป็นเรื่องไม่ค่อยยากเท่าไหร่ในการที่จะดับกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไม่มากเท่าไหร่ในขณะนั้นๆั้นเพราะแนวของตะทังกะ อาหารหรือตะถังกวิมุตต์หรือตะถังกันดโรธก็ตามที่เรียกว่าดับเดียวนัน้นั้นเนี่ยในเมื่อบุคคลสมาทานศีลอยู่ถ้าศีลอยังไม่ขาดไปคือศีลอยังอยู่มันก็สามารถจะดับความโลภโกรธหลงระดับที่ละเมิดศีอลออกไปได้ทีนี้ถ้าเราฝึกเปลือยมีสติสมัชัญยะ ระลึกรู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆมันก็มีระลึกรู้แล้วก็ดับในส่วนที่เป็นกิเลสออกไปส่วนที่ไม่เป็นกิเลสก็ไม่ต้องดับหอกก็ดับเฉพาะส่วนที่เป็นกิเลสส่วนที่เป็นธรรมะก็ประคับประคองไว้ข้อนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของจิตตาอนุปัตฏฐานทึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการดูจิตในขณะนั้นๆ จิตมีความโกรธก็รู้ว่าจิตมีความโกรธจิตไม่มีความโกรธก็รู้ว่าจิตไม่มีความโกรธ ถ, ถ้าจิตมีความโกรธก็พยายามบรรเทาความโกรธจิตไม่มีความโกรธคือมีธรรมะคือเมตตาเป็นต้นก็พยายามรักษาไว้แล้วว่าจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆๆอารมณ์ที่มาปรุงจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็พยายามรักษาจิตไวในจุดนั้ น, น, น เมื่อต่อกันนานข้าวนานค้าบมันก็เป็นหลายวินาทีหลายนาทีขึ้นไปแน่ต่อไปเรียกว่าเป็นวิคัมปนะนิโรธหรือวิคัมนะวิมุตตวิคัมปนะก็คือการข่มไว้หรือการกดเอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิหรือกำลังของชาญเป็นผลจากการเจริญสมาธิคือสมกถกรรมฐานเอง เมื่อสมาธิเขาเกิดเนี่ยจะทําหน้าที่สงบกิเลสไปเองมันก็คล้ายๆกระแสงสว่างเกิดนี่ขาจัดความมืดไปเองความเย็นเกิดขาจัดความร้อนไปเองดังที่เคยยกตัวอย่างไว้บ่อยๆคือธรรมะกับอาธรรมเนี่ยเป็นเรื่องแปลกที่เขาไม่ปรากฏด้วยกันเมื่ออย่างหนึ่งปรากฏอย่างหนึ่งก็จะไม่ปรากฏเจนไม่ตาปรากฏในโทสะก็ไม่ปรากฏ ตราใดที่เมตตายังอยู่เนี่ยโทสะก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนะแต่ในเวลาต่างกันมันก็เกิดได้แต่ถ้าเกิดได้ก็หมายความว่าในขณะนั้นเมตตาเราไม่มีไปแล้วเพราะการเจริญสมถกรรมฐานจนถึงกบรนรูชาติเนี่ยสามารถสงบกิเลสได้ตลอดเวลาที่สมาธิยังอยู่หรือชาญยังอยู่ แต่เราก็จะเดิญฌานอยู่ตลอดไม่ได้เราต้องออกจากฌานต้องออกจากสมาธิต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายบนฌานาจริงเป็นเ ร, เรื่องก็เรียกว่ากุปปาธรรมคือเสื่อมได้ก็บางครั้งบางคราวจะเดิญฌานได้เป็นเก้าครั้งสิบครั้งแล้วก็เสื่อมเพราะว่าไปกระทบอารมณ์ข้างนอก ดังนั้นจึงต้องอาศัยความพยายามที่ต่อเนื่องแล้วก็สร้างปัจจัยแวดล้อมเข้ามาเสริมเป็นนั้นมากเพื่อช่วยให้ดับกิเลสได้นานๆหน่อยประการต่อไปเรียกว่าสมุทเฉตทวีมุตหรือสมุทเฉตตานิโรธสมุทเฉตตนิพานคือตัดขาดเป็นการตัดขาดนั้นพึงสังเกตว่าที่จริงสอนให้ตัดขาดตั้งแต่ระดับศีลมาแล้ว แต่ว่าเป็นการตัดเท่าที่จะตัดได้ก็แสดงว่าในขณะนั้นยิเดชเฉพาะในจุดนั้นมันก็สงบออไปเช่นสมมติว่าในการสมาทานศีนทั้งหประการเนี่ยสมบัตสารุชนทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไรแต่บางท่านอาจจะรักษาเป็นนิธอย่างที่สมาทานกันคือไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต ไม่ลักทัพย์ตลอดชีวิตไม่ล่วงเกินทางเพศตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่เสพสิ่งเสพติดตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสมุดเจทวิรัตคืองดเว้นด้วยการตัดขาดผลกิเลสที่เป็นเหตุให้ละเมิดศีลระดับนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถึงเกิดก็ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ละเมิดศีลเพราะว่ากิเลสที่ละเมิดศีล น, นี่เขาเรียกวีติกับม ก, กิเลสคือมันต้องล้นออกมาข้างนอก ต้องมีกำลังแรงจึงทำให้เราละเมิดศีลถ้าไม่แรงพอเราก็ไม่ละเมิดศีลหรอกแน่นโลกมันก็บุ้นวายไปหมดแล้วแม้แต่คนโดทั่วไปเนี่ยเราลองสังเกตว่ากิเลสมันก็ไม่ได้แรงอยู่ตลอดระยะเวลาตอนอิริยาบถโดยปกติแล้วคนนี่จะทำดีมากกว่าทำชั่วเพียงแต่ว่าทำดีนั้นเป็นปกติ ถือทำดีระดับสีก็ถือว่าปกติภาพปกติธรรมดาของมนุษย์เราแต่พอพอทําชั่วมันมันผิดปกติตัวผิดปกติตัวเองก็ผิดปกติสังคมก็ผิดปกติไปมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ข่าวคราวทีววว่ปรากฏจึงเป็นข่าวคราวที่ไม่ค่อยปกติข่าวคราวปกติเขาก็ไม่ไรายงาน จินตนาการปกติเนี่ยเขาก็ไม่รายงานแต่ถ้าร้อนจดขึ้นมาก็รายงานหนาวจดขึ้นมาก็รายงานฝนตกหนักขึ้นมาก็รายงานลมลมแรงก็ก็รายงานแต่ถ้าอยู่ในสภาพปกติก็ไม่จำเป็นจะต้องรายงานเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันและการตัดขาดอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นการตัดขาดอย่างจริงๆเป็นการตัดขาดระดับองค์มร ของพระยาบุคคลทั้งหลายซึ่งหมายความว่าเป็นผลรวมจากการปฏิบัติตามหลักอ ร, ริยมรรมีองแปดประการพอขึ้นถึงชั้นศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเท่านั้นก็เริ่มตัดขาดได้แล้วตัดขาดในส่วนโมหะที่หยาบแยบเพราะว่ากิเลสทั้งหลายนั้นมันมีรากเง้ามาจากโมหะ ผลในชั้นนี้ก็ตัดโมหะที่หยาบหยาบได้แก่สักะยะทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนก็แล้วแต่จะถือแรงขนาดไหนแต่การถือในชั้นนี้บางทีละเอียดนะครับบางทีถือละเอียดจนยากต่อการแยกจิตยากต่อการทําความเข้าใจเช่นถือขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนตนมีอยู่ในขันห้าเนี่ก็ถือว่า มันสืบเนื่องมาจากอย่างนี้ก่อให้เกิดเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเป็นพวกนั้นพวกนี้จนบางครั้งก็ออกมาในรูปของการทำลายล้างกันระยะบุคคล ร, ระดับปะโซดารท่กกาก็ตัดได้แต่ว่าสามัญชนทั่วไปก็ลดละจางคลายลงไปได้ถึงสังเกตว่าการปฏิบัติแนวนี้ความเป็นเราเป็นเขาความเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงกับแบ่งแยกกันแรงๆเนี่ย ถ้าคนเราอยู่ในศีลในธรรมสักหน่อยก็ไม่ค่อยแบ่งแยกแรงๆคือจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาจริงแต่ว่ามีความเคารพในสิทธิของกันแลกกันไม่มีการล่วงละเมิดกันเพราะแนวศีลในยกตัวอย่างมามันก็เป็นแนวที่ยังเป็นเราเป็นเขาแต่ไม่รู้สึกแบ่งแยกที่แรง คือยอมรับของความเป็นเราเป็นเขาแล้วเคารพสิทธิของกันและกันไม่ล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของกันและกันแล้วก็แสดงว่าสกฤติทิฐิมันก็ลดลงไปแต่ก็ไม่ได้หมายความหมดก็เพียงเป็นลดความเข้มข้นลงไปแต่นั่นเอง แการต่อไปก็วิจิกิษาคือความเครือข่รงสงสัยเป็นกิเลสประเภทโมหะเช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติพัฒนาไปเนี่ยคือข้อไม่ควรลืมก็คือศีลท่านสมบูรณ์สมาธิท่านพอประมาณปัญญาพอประมาณปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความเห็นชอบในพรรัฒนาใร ประสวดบันทัชยจะเรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ใทิฏฐิคือความเห็นตอนนั้นก็มีความเห็นชอบจะน้อยก็เห็นชอบในคุณของพระรัตนตรัยมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาไม่สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจยการในกฎของปฏิจจสมุปบาท แล้วก็ศีลรับประประมากคือไม่ถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยการปฏิบัติที่งม ง, งายไร้เหตุผลทั้งหลายที่จริงบางอย่างเนี่ยมันไม่ไร้เหตุผลอะไรแต่ว่าเป็นลักษณะของอุปาทานคือเป็นทิฏฐุปาทานคือถือมั่นเดิมหน้าทิฏฐิหรือศีลรับประุปาทานถือมั่นเดิมหน้ากองศีนวัดเองมันก็ถือว่าไม่ถูกเหมือนกันเช่นสมมติว่าเราปฏิบัติภาวนาวัพุทโธ แล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าภาวนาพุโทโธเท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอาการของอุปาทานแล้วก็ให้เกิดความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาจิตใจก็จะไม่ส ง, งบมีการดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นไปแลการปฏิบัติ จ, จึงจึงต้องมีการลดละถ่ายถอนพวกนี้ให้จางคลายบรรเทาบาบางลงไปแล้ก็อย่างน้อยก็ ถ้าถ้าระดับนี้ที่จริงทัานเข้าสู่กระแสปณิพานแล้วแต่ว่าสองข้อข้างต้นนี่ก็เรียกว่าถือว่าเป็นนิพานธ์อ่อนๆเป็นนิพานระดับลิ้นระดับชิมปณิพานไปมันมีจางการจางคลายการกําเริบเปลี่ยนแปลงไปได้ประการต่อไปที่จริงแล้วเป็นการสะท้อนธรรมะจากตัวตนของบุคคล สงไข้คำว่านาหิตปปญจโตประรูปคาติสมโนโหติปลังวิเหทะยันโตแปลว่าผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรปะชิตไม่ชื่อว่าสมณะเลยคือโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นค า, วารวะก็ตามเมื่อเรากาวตรงภาคของการปฏิบัติเนี่ยบรรปะชิตเแปลว่าผู้เป็นบา ผล ญ, ญาตโดนทั้งหลายเองก็ต้องเว้นบาทแล้วการเว้นบาทเนี่ยแสดงออกมาอย่างไงคือกายต้องสงบวาจาต้องสงบใจต้องสงบก็เรียกว่าสมมณะเพราะอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการสากลไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพระหรือว่าเป็นค า, ารวะเพียงแต่ว่าพระนั้นอาศัยรูปแบบ เรียกว่าบวชกายแต่ว่าใจอาจจะไม่บวชก็ได้ใจอาจจะยังไม่สงบก็ได้ใจอาจจะยังไม่เป็นบาปก็ได้ตนพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรื่องการเว้นบาปไว้เป็นสี่พวกด้วยกันพวกหนึ่งคือไม่เว้นบาปตรงใชายก็มาไม่ออกคือกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกหมายความว่ากายก็ไม่เว้นบาปใจก็ไม่เว้นบาป คนหนึ่งกายออกแต่ว่าใจไม่ออกหมายความว่ากายอยู่ในรูปแบบของผููเว้นบาปแต่ว่าใจก็ยังไม่เป็นบาปคนหนึ่งกายไม่ออกคือกายก็ยังแต่งเนื้อแต่งตัวธรรมดาอย่างชาวบ้านนี่แหละแต่ว่าใจเป็นบาปตัวนี้ไปได้ไกลนะครไปได้ถึงระดับพระนาคามีทีเดียวอยู่ถึงจุดหนึ่งก็เรียกคาว่าสมุนีคือมุนีที่อยู่ในบ้าน เป็นผู้ส ง, งบที่อยู่ในบ้านเป็นผู้รู้ที่อยู่ในบ้านโดยจุดมุ่งหมายที่ระดับอุดมการณ์จริงๆคือสูงสุดจริงๆก็คือออกทั้งกายทั้งใจหมายความว่ากายวาจากระเว้นบาปใจกระเว้นจากบาปต่อเน้นไปที่การเว้นอย่างสิ้นเชิงเ ป, เป็นเป้าหมายสูงสุดซึ่งก็หมายถึงบ้าการเข้าถึงพระนิพพานนั่นเอง ดังนั้นทั้งสามประการนี้จึงเป็นธรรมะปฏิบัติระดับอุดมการเป็นผลระดับอุดมการแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมะระดับอุดมการหมายความว่าธรรมะคือขันติและนิพพานก็มีอยู่ในสมณะมีอยู่ในบันปรปชิตเดี น, นี้ในช่วงที่สองนี้เรียกว่าหลักการ และการดิบัติเพื่อบรรลุอุดมการ์เหล่านั้นและกล่าวโดยสรุปก็คือการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การทําจิตให้ฟองแพร่อันที่จริงก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่เป็นการเรียงลําดับของศีลสมาธิปัญญาคือการเรียงนี่บางทีก็เรียงอยอีกอย่างหนึ่งเช่นอริยมรรตเนี่ยเราจะเห็นว่าเรียงปัญญาศีลสมาธิ แต่นี่เรียงเป็นขั้นของบันไดเกินไปหลักการสรุปรวมในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะพูดอะไรยังไงก็ตามก็สรุปรวมได้ก็ทำนั่นเองก็คือละ บ, บาปบำเพ็ญบุญทำจิตได้ปองแพร่ทีนี้พวกนี้จะเป็นการอาศัยซึ่งกันและกันในการละ บ, บาปยกตัวอย่างในการละ บ, บาปมันก็เป็นด้านศีลสมาธิปัญญา เพียงแต่ว่าอาการของศีลก็จะเด่นกวา่าคือเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อันเป็นอาการของศีลแต่การที่เรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยก็สแสดงว่าเราไม่มีความโลภจนถึงขนาดฆ่าสัตว์ก็หมายความมาเป็นการมาเป็นบุญระดับหนึ่งจิตบางก็ฟ่องแพร่จากความโลภระดับยาก วันเลาเรียกทานพรีกว่าศีวิสุทธ์คือความบริสุทธิ์หมดจดของศีลเป็นการบริสุทธิ์ระดับศีลคือสวยงามระดับศีลมันก็ทํานองคล้ายๆกับเลื่อยไม้ถ้าเลื่อยมาตรงดีมันก็สวยงามระดับเลื่อยพอไสากบผิวเกลี้ยงดีก็สวยงามระดับไสากบพอขัดกระดาษทรายละเอียดขึ้นมาก็สวยงามระดับกระดาษทรายแต่ทั้งหมดมันก็ที่ยริงคือสวยงาม เพียงแต่ว่ามีหยาบมีกลางมีละเอียดที่แตกต่างกันออกไปทันเด้งการขัดเกลาจิเลจิตใ จ, จ, จ, จของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการพยายามขัดเกลาไปตามลําดับเพื่อเกิดเป็นผลก็คืออย่างน้อยก็ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่เบียดเบียนสัตว์ แล้วก็เป็นผู้มีกายสงบมีวาจาสงบปีจัยสงบตามทุกควรแก่การประพฤติปฏิบัติเป็นเช่นนี้ก็ชื่อว่าได้เข้าได้สัมผัสธรรมะระดับอุดมการณ์ที่พระผู้มีพระภาคจเจ้าได้ทรงแสดงไว้และชื่อว่าดำเนินไปตามหลักการดังกล่าวต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป